จะทํางานนะงานก็มีหลายงานงานทางโลกงานทางธรรมที่นี่คงมุ่งงานทางโลกงานโรงพยาบาลเป็นงานหนักงานบริการนี่เป็นของที่ไม่มีวันจบเราเจองานเยอะๆก็เครียดอยู่โรงพยาบาลมีแต่ของไม่น่าดูเป็นที่ที่ไม่มีอะไรน่าดูเท่าไหร่ อยู่แล้วมันก็เครียดนะเห็นคนเจ็บเห็นคนตายคนมีความสุขก็ไม่ค่อยโผล่มาที่นี่นะแต่การที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องว่าทํางานให้มีความสุขนะมันก็ยังแคบไปที่จริงก็คือควรจะเรียนเรื่องว่าทํอยังไงเราจะมีชีวิต ท, ที่มีความสุข ถ้าเรามีชีวิตที่มีความสุขเวลาทำงานก็มีความสุขเวลาอยู่บ้านก็มีความสุข่ะทำอะไรต่ อ, อะไรก็มีความสุขเราทำได้เรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนวิธีการให้เราที่จะยกระดับจิตใจของเราออกจากความทุกข์ คือเราแต่ละคนนะเราสแสวงหาความสุขตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็เที่ยวแสวงหาความสุขล้วก็หนีความทุกข์อยากได้แต่ความสุขตอนเด็กๆ เ, เราก็คิดนะเรียนหนังสือมีความทุกข์มีภาระเยอะเรียนหนังสือต้องทำการบ้านต้องอย่างน้นอย่างนี้ยิ่งเด็กยุคนี้นะเรียนหนังสือยิ่งลำบากมากเลยเรียนจากโรงเรียนเราก็ต้องไปเรียนพิเศษอีก นั้นเวลาเรียนมากๆเครียดกันกันก็คิดนะว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วมันจะมีความสุขพอเรียนหนังสือจบแล้วมันก็ไม่สุขอีกละก็ต้องทำมาหากินก็คิดว่าถ้าหางานดีๆได้ก็จะมีความสุขพอได้งานนะก็ต้องขยันกขนแข็งต้องต่อสู้แล้คิดว่าถ้าได้เงินเดือนเยอะๆได้ตาแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุข ความสุขมันมีคําว่าท่าเนี่ยนําหน้ามาเสมอถ้าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าตอนนี้ไม่มีความสุขอยู่คนเดียวเหงาๆ <ital ian. S 1> ถ้าได้แฟนดีๆจะมีความสุขนะได้แฟนแล้วได้แต่งงานจะมีความสุขแต่งงานแล้วนะท่ามีลูกลูกฉลาดฉลาดลูกหน้าตาดีๆ <tas. S 1> จะมีความสุขบางคนก็อยากให้ลูก สวยๆลืมดูตัวเองนะอเนาะบางทียังไงมันก็ไม่สวยหรอกดูแล้ดูแม่มันแล้วก็ลูกมันจะสวยไปได้ไง <laughs> อยากให้ลูกฉลาดะดูพ่อดูแม่ก็ไม่น่าฉลาดเท่าไหร่เราอยากเรามีเงื่อนไขนะถ้าถ้าอย่างนี้เราจะสุขถ้าอย่างนี้เราจะสุขอยู่ไปเรื่อยๆนะมีอํานาจขึ้นมาถ้าไม่มีใครเข้ามาปฏิวัติก็คงมีความสุขอีกนะ หรือไม่มีใครมาเลื้อยขาเก้าอี้ก็มีความสุขอยู่ไปถึงวันหนึ่งมันก็ต้องหมดจากอานาจพอแก่ลงมานะไม่คิดอะไรมากแนละ้วเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยแค่คิดว่าวันไหนมันไม่ป่วยก็คงมีความสุขแล้วลนะ่ะพวกที่ป่วยมากๆนะวันนี้ค่อยทุเราหน่อยก็รู้สึกมีความสุขนะพอป่วยหนักเข้าจริงๆนะคิดว่าถ้าตายได้จะมีความสุขคนใข่บางคนอยากตายเคยเจอใช่ไหม พยายามถอดสายถอดเลยอยากตายไม่อยากอยู่แล้วมันทุกข์ถ้าตายเะได้จะมีความสุขไม่มีคําว่าถ้าอยู่กันอะ่ะก็ปัจจุบันไม่เคยมีความสุขกับเขาสักทีความสุขนี่เป็นของแปลกเราเที่ยวหานะเราเหมือนเหมือนจะหยิบได้แต่มันก็หลุดมือไปเสมอแหละมันจะไม่อยู่กับเราดานแป๊บเดียวก็นหนีไปแล้วเหมือนฝันไปแป๊บแบเหมือนภาพลวงตาอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง เราเที่ยวหาความสุขนะจากสิ่งอื่นจากคนอื่นตลอดเวลาเราไม่รู้วิธีที่เราจะเกิดความสุขขึ้นได้ด้วยตัวเองความสุขของคนในโลกเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นเ ah. ราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขนะถ้าเราพลัดคลากจากคนคนนี้เราไม่มีความสุขเราต้องไม่เจอคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าเจอคนคนนี้ไม่มีความสุขเนี่ยความสุขเราอิงอยู่ที่คนอื่น หรือความสุขเราอิงอยู่กับสิ่งอื่นถ้ามีเงินมากๆเนี่ยความสุขี่อิงอยู่กับเงินจะมีความสุขมีอำนาจมากๆจะมีความสุขความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยคนอื่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นและคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราได้จริงอย่างเราอยู่กับคนนี้มีความสุขมันไม่ใช่ว่าคนนี้มันจะอยู่กับเราได้ตลอดหรือว่ามันจะดีกับเราตลอดกาล ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นความสุขที่อิง อ, อ, อ, อาศัยสิ่งอื่นเนี่ยนะมันยังเป็นความสุขที่งอนแง่นกลอนแคลนแล้วมันทําให้เราเนี่ยเสียอิสระภาพอย่างเรามีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้เราต้องเอาใจคนคนนี้ใช่ไหมเราไม่มีอิสระแล้วเราเสียอิสระเรามีความสุขที่มีรถสวยๆเราก็เสียอิสระเพราะรถนั้น ไป ไ, ไปไหนแม่ไหนเราก็ห่วงหรือห่วงบ้านมีความสุขเพราะมีบ้านเนี่ยเราก็เป็นห่วงอีกไปไหนก็ไม่ได้เพราะมีความสุขเพราะมีสมบัติก็ห่วงสมบัตินะมีความสุขเพราะอะไรเราก็เสียอิสระเพราะสิ่งนั้นใครแต่งงานแล้วบ้างยกมือซีในห้องนี้แต่งงานแล้วมีความสุขเหมือนที่คิดไหม <laughs> มากกว่าเก่าเนะยังไงนี่มองโลกแง่ดี ถ้าเราดูให้ดีนะไม่ว่าเรารักอะไรเราผูกพันอะไรเราพึ่งพาอะไรนะเราก็เสียอิสระเพราะสิ่งนั้นมีคู่นะสามีปัญญาเราแต่งงานมารู้สึกแม่เสียอิสระภาพนะเสียอิสรภาพมีลูกก็เสียอิสระภาพนะอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เป็นห่วงลูกนะต้องพาไปเข้าโรงเรียนไปน่นไปนี่เสียเวลาดูแลมากเลยงั้นไม่ว่าเรารักอะไรนะ แล้วก็ทุกพระสิ่งนั้นนะมันเป็นภาระของเราและสิ่งที่เรารักมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราหรอกแต่ละคนนะรักตัวเองมากที่สุดที่ใครบอกว่าผมรักคุณที่สุดในโลกเลยนะถ้าใครมาบอกกับเราอย่างนี้นะชี้หน้ามเลยวระโกหกนะทุกคนรักตัวเองมากที่สุดรักที่สุดเลย แล้วเวลาสมมติเราเดินเดินไปนะมีสเก็ดไฟตกใส่หัวเราตกใส่หัวคนที่ไปกับเราเราจะปัดของใครก่อนต้องปัดของตัวเองก่อนใช่ไหมรักใครที่สุดรักคุณเท่าฟ้าแต่รักตัวเองมากกว่าฟ้าอีกนืก็เรารักอะไรนะความสุขของเรายิงอยู่อะไรเราก็รักอันนั้นรักแล้วเราก็เสียอิสรภาพเพราะสิ่งนั้น สิ่งที่เรารักที่สุดคือกายกับใจของเราคือตัวเราเองงั้นถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถถอนความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปได้เราก็จะตกเป็นทาสของมันไปเรื่อยๆตกอยู่ใต้อำนาจของมันเราตื่นนอนมาเนี่ยเราปฏิบัติร่างกายตั้งเยอะแยะนึกออกไหมปฏิบัติร่างกายทำอะไรบ้างตื่นนอนมาเช็ดกีตาก่อนเนาะ อย่างน้อยก็แบบให้มันเห็นโลกก่อนไปล้างหน้าไปอาบน้ำไปขับถ่ายนะอย่างโน้นอย่างนี้นะภาระมากเลยตั้งแต่เช้าเลยดูแลถนอมรักษาอย่างดีเลยหาของมาให้กินนะพาไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำอย่างโ น, น้นทำอย่างนี้ดูแลอย่างมากเลยถึงวันหนึ่งนะมันทรยศเรามันแก่มันเจ็บมันตาย ความรักของเราไม่สมหวังนความรักในร่างกายนี่ไม่สมหวังแล้วจิตใจก็เหมือนกันเราดิ้นรนหาความสุขทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาอย่างเรามีความอยากเกิดขึ้นนะเราสนองความอยากพอสนองความอยากได้เราก็มีความสุขราสนองได้ปุ๊บจะความอยากอันใหม่จะเกิดขึ้นอีกแลต้องดิ้นรนไปเรื่อยจิตใจนะไม่มีความสงบสุขมีแต่ความหิวโหยดิ้นรนตลอดเวลา ร่างกายของเรานะ่ยหิววันหนึ่ง2อสามครั้งหรือสามสี่ครั้งแต่จิตใจของเราหิวตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรามาค่อยๆหัดสังเกตอยู่ในกายในใจนะเราจะเห็นเนะี่ยร่างกายนี้เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่ของที่น่ารักหรอกจิตใจเราเนี่ยอุตสาห์ดูแลมันอย่างดีหารมที่เพลิดเพลิ น, พ, ลนพอใจมาให้มันมีความสุขได้แป๊บเดียวนะมันก็หิวอีกแล้วมันต้องการอีกละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอนะ ความต้องการทางใจเนี่ยเกิดตลอดเวลาเลยอย่างอยู่บ้านอยากมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศนั่งรถมาตั้งนานนะมาฟังใต้นิดหน่อยอยากกลับบ้านเนยความอยากมันรั้าใจเราตลอดเวลานะรวมความแล้วอยากมีความสุขอยากหนีความทุกขนะ์นั่นเองมันก็ดิ้นตลอดเวลาใจที่ดิ้นรนหิวโหวยตลอดเวลานะเป่ใจที่มีความทุกข์นะ ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจของเราไม่เห็นว่าใจนี้มีแต่ความทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาด้วยความอยากเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกเรื่องราวที่เพลิดเพลินพอใจนะแม้จะหิวความอยากก็คือความหิวของใจนั่นเองใจก็จะดิ้นรนไปไม่มีความสุขไม่มีความสงบที่แท้จริงเลยนะเนี่ยถ้าเรา มาคอยรู้ความจริงของกายมาคอยรู้ความจริงของใจนะร่างกายนี้ก็ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตใจก็ถูกความทุกข์ความหิวโหยนี่บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปอันนี้เรียกว่าขั้นเจริญปัญญานะถ้าเราสามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อย่างแจ่มแจ้งเนะี่ยถึงวันหนึ่งเราจะหมดความรักมัน เวลาเรารักใครสักคนเราต้องเอาใจเขาแต่พอเราเลิกรักเขาเนี่ยเราเป็นอิสระจากเขานะแต่ถ้าเกลียดเขาเราก็ไม่อิสระนะเราก็อยากให้เขาหายไปอีกอยากให้มันตายตายเร็วๆอย่างนี้ l. แต่ถ้าใจเราไม่รักไม่เกลียดนะมันจะเป็นอิสระจากเขาร่างกายจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราภาวนาไปเราเห็นความจริงของร่างกายมากๆเห็นความจริงของจิตใจมากๆนะใจจะเป็นกลางไม่รักไม่เกลียดมัน เราจะเป็นอิสระขึ้นมาถ้าวันใดที่จิตใจของเราเป็นอิสระจากร่างกายเป็นอิสระจากจิตใจไดนะ้เราจะมีอิสระภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นเพระกายกับใจนี่คือตัวทำลายอิสระภาพเรามากที่สุดว่าเรารักที่สุดนะงั้นหน้าที่ของพวกเรานะถ้าอยากได้ความสุขอันมหาศาลความสุขที่คนในโลกไม่รู้จักเลยนึกไม่ถึงว่าจะมีความสุ ข, ขนานนั้น เราก็ต้องหัดภาวนาให้เป็นมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจให้ได้นะถ้ารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจได้นะเราจะปล่อยวางไม่ยึดถือเราจะเป็นอิสระจากกายจากใจเราจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะกายกับใจคือสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดในโลกกระทั่งร่างกายยังไม่ยึดนของข้างนอกยังไม่ยึดทําไมกระทั่งใจยังไม่ได้ยึดถือนะก็จะไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกงั้นการที่เราจะมา เข้าสู่ความเป็นอิสระแล้วมีความสุขอย่างแท้จริงได้นะมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปนะรู้ความจริงของกายของใจร่างกายของเรามีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่เราลืมมันทั้งวันจิตใจของเราก็มีอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราก็ลืมมันทั้งวันคนในโลกนะรักกายรักใจรักตัวเองมากที่สุดแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุด เรารู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องสิ่งอื่นนะมากกว่าเรื่องของเราเองนะเราไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเนะพราะพระเจ้าท่านสอนให้เรากลับมาเรียนรู้ตัวเองให้ย้อนกลับเข้ามานะเรือ่องอปัญญายิโกโอปัายิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองนะถ้าน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองแล้วมันจะต่อด้วยปัจจตังเวทิตาโพวินย uh ุห uh ิวินยุชนนะจะรู้จะเห็นจะเข้าใจนะด้วยตัวของตัวเอง กระบวนการเรียนรู้ตัวเองเนี่เป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าคนพบคนทั่วๆไปไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงก็เลยไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้อย่างมากก็หนีทุกข์เป็นแคลาวลาดแต่ถ้าเราผ่านกระบ ว, น ก, ะบวนการเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งนะมันจะหมดความยึดถือพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนจึงเบื่อหน่าย เรเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเราคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือความเกิดเนี้ยสิ้นแล้วพระมอาจารย์คือการประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมเนี้ยทำเสร็จแล้วธุระที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วนะเพรามันจะเข้าสู่ความเป็นอิสระที่ถาวรไม่แฝงขึ้นแฝงลงไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายในสิ่งใดในโลกอีก สิ่งเหล่านี้เราสามารถเข้าถึงได้นะเพราะพระพุทธเจ้าประทานวิธีการให้วิธีการที่จะรู้กายวิธีการที่รู้ใจไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนสามารถรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเราสนใจสิ่งอื่นเราสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเราเองทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เรารักตัวเราเองมากที่สุดเนี่ยเพื่ความอาภัพของมนุษย์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายละต่อไปนี้เราพยายามกลับมารู้สึกตัวเองให้เยอะหน่อยนะ การปฏิบัติธรรมที่จะนําไปสู่ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีอิสระเนี่ยจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ความรู้สึกตัวก่อ น, นขั้นแรกเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นคนในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะถ้าไม่เคยได้ยินธรรมะมาคนในโลกมีแต่คนหลงตื่นขึ้นมาก็หลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดในขณะที่ดูก็ลืมตัวเองในขณะที่ฟังก็ลืมตัวเองคือลืมกายลืมใจของตัวเอง ในขณะที่คิดก็ลืมกายลืมใจของตัวเองพวกเราลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราดูตั้งใจดูอะไรสักอย่างนะเราจะลืมตัวเราเองลองทดลองนะตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเนี่ยทางเนี้ยนะให้เราสังเกตดูว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะหน้าตาเป็นแบบไหนนะยอดมีกี่แฉกดูสิสังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจดูพระใช่ไหม เรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจเนี่ยหลงไปดูนะเวลาเราดูเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมพอละพอละนะไม่ต้องดูพระละให้มาดูตัวเองต่ออันนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีหลงนั่นมันหลงยังไงในขณะที่เราดูเราจะหลงหลงดูในขณะที่ฟังก็หลงฟังเวลาเราฟังคนอื่นเขาคุยใช่ไหมเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมเราลืมตัวเราเอง เวลาเราทำอะไรเพลินๆหรือเราคิดอะไรเพลินๆ เ, เราก็ลืมตัวเองเคยไหมใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยนี่เกิดบ่อยนะวันๆนึงเกิดบ่อยมากเลยใจลอยลอยไปไหนลอยไปคิดนะบางทีก็ลอยไปดูลอยไปฟังนะกรองลงมาแต่ลอยมากที่สุดลอยไปคิดตื่นนอนมาก็คิดละนะตอนหลับอยู่ก็ยังคิดนะเรียกว่าฝันฝันก็คือความคิดคิดตอนหลับเรียกว่าฝัน เวลาที่เราไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจต่อไปนี้เราพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆต้องซ้อมรู้นะวิธีซ้อมรู้ไม่ให้หลงลืมกายลืมใจนานไปอยู่ในโลกของความคิดนานเราต้องฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนนะเราฝึกปฏิบัติธรรมเราหากรรมฐานในที่เหมาะกับตัวเราเองเรามาดูตัวเราเอง คนไหนพุทโธนะแล้วมีความสุขนะเราก็หัดพุทโธไปพุทโธพุทโธไปสบายๆนะใจเราหนีไปเราก็คอยรู้หนีพิคิดส่วนใหญ่จะหนีพิคิดพุทโธพุทโธแล้วหนีพิคิดนะหรือหายใจไปจิตก็หนีพิคิดเราก็คอยรู้เอาหายใจไปสบายๆรู้สึกตัวอยู่นี่แหละหายใจอยู่ได้ไม่กี่ทีเลยหนีพิคิดแล้วมันจะลืมร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นะเราก็กลับมารู้ทันเราก็กลับมาหายใจไหม หรือบางทีมันก็หนีไปเพ่งลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะมันก็จะรู้ไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจตามความเป็นจริงมันจะทื่อๆนิ่งๆไปนะเพราะฉะนั้นใครถนรัดพุทโธก็พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปนะใครชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปนะแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปคิดเราก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเราก็รู้ ใครชอบเดินจงกรมก็เดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเดินเดินไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจลงไปอยู่ที่เท้าแล้วก็รู้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยเรืเนี่ยเป็นวิธีการเตรียมใจของเราให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาฝึกตัวเองให้รู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาก่อนพราะในโลกไม่ตื่นเพราะว่ามันจะลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่ไหลไิคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่ง และห้ามพวกเราคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วห้ามคิดนะเอาละเริ่มคิดไหมคิดทุกคนเลยบางคนก็คิดทํำยังไงจะไม่คิดนะคิดเห็นจิตที่คิดหรือยังนี่มันคิดได้เองนะห้ามมันไม่ได้หรอกเนี่ยคอยรู้ทันเวลามันคิดนะเวลามันหนีไปคิดเรารู้เวลามันหนีไปคิดเรารู้แต่ถ้าเวลาทํางานที่ต้องคิดเนี่ยอันนี้ต้องคิดนะ มีหน้านที่ต้องคิดก็คิดไปแต่ว่าเวลาอยู่ปกติเงี้ยถ้าจิตมันหนีไปคิดเราค่อยรู้เอาทดลองอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อจะเงียบๆไปนะห้ามพวกเราคิดนะสังเกตไ้ยรอบนี้เริ่มต่างกับรอบแรกรอบนี้มีวิธีจะไม่ให้คิดด้วยการเพ่งนึกออกไหมโฟกัสตรงไปให้มันนิ่งอยู่ที่เดียวนี่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดจ้องใจจะทื่อๆขึ้นมา อันนี้ไม่ใช่วิธีนะชื่อจริงๆจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดคิดตลอดเวลาอย่าไปห้ามมันเลยแต่ว่าพอมันคิดไปแล้วนะเรารู้ไวนะอย่าให้มันคิดแล้วเผลอเพลินตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจงั้นถ้าใครอยากจะพ้นทุกนะอยากมีชีวิตที่มีความสุขกันมหาศาลมีความสุขที่คิดไม่ถึงเลยเนะเบื้องต้นเนี่ยหัดรู้สึกตัวซะ ทำกรรมฐ า, านอย่างหนึ่งวันหนึ่ง10นาทีหรือ15นาทีก็พอแล้วล่ะนะไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ทกํากรรมฐานอย่างหนึ่งอย่าพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้นะทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากนะคือการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะไปเจริญปัญญาบทเรียนนี้ในภาษาบาลีเรียกว่าอาทิจิตสิก ข, ขา ต้องเรียนเรื่องจิตสก่อนนะถึงจะไปถึงขั้นปัญญาสิกขาอยู่ๆจะโดดไปปัญญาสิกขาเลยโดยจิตไม่มีความพร้อมเนี่ยมันทําไม่ได้จริงหรอกนะถ้าไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไปเลยก็ไปเพ่งเอาไว้ให้นิ่งนะอย่างที่แรกหัดให้รู้ทันที่คิดใช่ไหมคิดอุตรุษเลยรอบสองเนี้ยเพ่งใหญ่เลยนะเนี่ยคือวิธีการที่จิตของเรามันชอบไปอ่นะถ้าไม่เผลอไปคิดก็เพ่งเอาไว้ก็มีแค่นั้นเองซึ่งสองอันเนี้ยผิดนะ วิธีที่ถูกก็คือจิตของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยได้ยินคำว่าพุทโธไหมพุทโธพุทโธแปลว่าอะไรว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เผลอไม่ใช่ผู้เพ่งแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นพุทโธสักก่อนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความฝันเป็นจิตที่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเป็นจิตที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง ไม่ใช่ฝันฝันไปตลอดเวลางั้นเบื้องต้นต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าจิตของเรายังไม่มีคุณภาพเนละอย่าไปคิดเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้จริงหรอกนะเขไปทํากรรมฐานก็ไปนั่งเพ่งเอาหรือไม่ก็ไปนั่งคิดเอาก็มีสองอย่างเท่า น, นั้นที่ทํากันอย่างบางคนก็บอกเจริญปัญญานะก็ไปคิดพิจารณาร่างกายเป็นตติกูลเป็นอาสุพะ น, นั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาปัสสนาว่าเห็น นะมีปัสนาให้เห็นแจ้งหเห็นจริงหเห็นถูกต้องว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ถึงจะเรียกว่าวิปัสนาส่วนการคิดเอาเรียกว่าวิตกการตรึกเอาวิตกคนละอนนะนั่นอย่างคิดพิจารณาอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาและการเพ่งเอาไว้ก็ไม่ใช่วิปัสนาคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะคิดลูกเดียวส่วนพวกที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมักจะเพ่ง ยิ่งว่าฝึกเก่งๆนี่เพ่งเก่งๆนะเพ่งเราก็นิ่งสงบลืมโลกไปเลยนะฝนตกฟ้าร้องไฟไหม้อะไรไม่รู้เรื่องเลยเพ่งเรานิ่งบางทีโลกกับธาตุหายไปเลยนะนั่นไม่ใช่ทางทางของเราก็คือเราต้องตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวในโลกของความเป็นจริงให้ไดนะ้วิธีที่จะตื่นมาไม่ใช่สั่งให้ตื่นไม่มีใครสั่งจิตให้ตื่นได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ แต่ให้ใช้วิธีรู้ทันเวลามันไหลไปมันเคลื่อนไปเคลื่อนไป2แบบนะส่วนใหญ่ๆเคลื่อนไปคิดนะกับเคลื่อนไปเพ่งพวกเราลองรู้ลมหายใจสิเราดูลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วสังเกตอย่างไหมมี2แบบอันหนึ่งคิดแอบคิดไปใช่ไหมอีกอันหนึ่งนะจิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลม อันนี้หลวงู่ดูเรียกจิตส่งออกนอกทั้งคู่เลยนะไหลี่ชิดก็คือไหลไปก็ส่งออกนอกเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมหายใจก็จิตออกนอกเหมือนกันจิตเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นจิตที่เคลื่อนไปกับจิตที่ตั้งมั่นมันตรงข้ามกันนะงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่น่อย่าไปบังคับให้ตั้งแต่ให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนถ้าเรารู้ทันว่ามันเคลื่อน้มันจะตั้งของมันเองนะ ทำไมรู้ทันว่ามันเคลื่อนแล้วมันตั้งเองเพราะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านประกอบด้วยโมหะชื่ออุทธัจจะ ท, ทันทีที่สติรู้ทันโมหะรู้ทันอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะเพราะมีกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไรมีสติมันนั้นไม่มีกิเลสดัง น, นั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตส่งออกนอกนะจะส่งไปคิดหรือส่งไปเพ่งก็ตามจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติ ต้องฝึกตัวนี้ให้ชำนิชนานาญนะฝึกถ้าเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นยังไม่ได้แล้วก็ยังเจริญปัญญาไม่ได้จริง่าไปคิดปฏิจจสมุปบาทอะไรนี่นะเหลวไหลที่สุดเลยคิดปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เอาไว้คิดเอานะต้องเห็นเอาถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาเนะเมื่อกี้ก็มีคนรู้จักกันนะพราว่าดูปฏิจจสมุปบาทถ้าคิดเอาไม่ใช่นะต้องเห็น เห็นยังไงปฏิจจสมุบาทพวกเราเห็นไม่ได้จริงหรอกเราจะเห็นได้แต่ปฏิจจสมบัติท่อนท้ายท่านต้นไม่เห็นหรอกท่านท้ายก็เห็นว่ามันมีตามีหูเนี่ยตามองเห็นรูปใช่ไหมเกิดความรู้สึกสุขหรือสุขทุกข์ขึ้นมาอันนี้อย่างหยาบนะถ้าอย่างละเอียดเนี่ยตามองเห็นรูปเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์หรอกในขณะที่ตามองเห็นไม่สุขไม่ทุกข์หรอกนะแล้วมันจะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วจะมีการแปลความหมายของสิ่งที่มองเห็นพอแปลความหมายของสิ่งที่มองเห็นแล้วนะถึงจะมีการตีค่าว่าดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจแล้วถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นนะงั้นอย่างที่ท่านสอนบอกว่ามีผัสสะก็เลยมีเวทนาอะไรเงี้ยนัท่านสอนไว้คร่าวๆหรอกนะงั้นพวกเราไปนั่งคิดเอาคิดเอาเราไม่เห็นกระบวนการทํางานจริงๆนะไม่ได้เรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองเนึกว่าเข้าใจธรรมะที่แท้ไม่เข้าใจหรอก พวกเราสังเกตให้ดีในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขาเสมอในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจิตไม่เป็นกุศลจิตจะไม่เป็นอกุศลด้วยนะจิตจะเป็นอุเบกขาเฉยๆความรู้สึกคือตัวเวทนาก็เป็นอุเบกขานะจิตก็ไม่ใช่ไม่ดีไม่เลวนะจิตเป็นเรียกอภยากตอภยากตานะไม่ดีไม่เลวในขณะที่มองเห็นนะต้องมีการแปลความก่อน มีการตีค่าให้ค่านะแปลได้ว่าอันนี้คือนี้นี้คือนี้แล้วก็ให้ค่าให้ค่าแล้วตัวจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมานะยังไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องเห็นเอานะไม่คิดปฏิจจสุบาทไม่ได้เรื่องหรอกนะร้างกิเลสไม่ได้จริงหรอกนะีพวกเราชอบมากเลยบางคนต้องดูของจริงนะของจริง หักรู้นะหักรู้รู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวไหมหรือหนีไปคิดให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดแล้วจิตที่รู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจิตที่รู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็เริ่มเจริญปัญญาได้นะถ้ายังรู้สึกตัวไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เพราะอะไร การเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายคือการเห็นความจริงของใจถ้าเรามีกายเราลืมกายเราก็เห็นความจริงของกายไม่ได้ถ้าเรามีใจเราลืมใจเราเห็นความจริงของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจให้ได้ถ้าจิตเราหนีไปเรารู้ทันเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตหนีไปรู้ทันเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยต่อไปถึงขั้นเจริญปัญญา นะขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นนะปัญญาเบื้องต้นเลยอันดับหนึ่งเลยนะเรียกว่านามรูปปริเฉทยานแยกรูปกับนามออกจากกันพูดภาษาไทยง่ายๆแยกกายกับใจออกจากกันเราจะเห็นว่าร่างกายมันนั่งขณะนี้ทุกคนรู้สึกที่ร่างกายสิรู้สึกสบายๆนะอย่าเพ่งรู้สึกด้วยใจที่สบายเอาละทุกคนยิ้มยิ้มนะ เห็นไม่ร <LEGO> ่างกายของเรายิ้มเราเห็นด้วยความรู้สึกนะเห็นไหมยิ้มเอาทุกคนทำหน้าบึ้งหน้าบึ้งหน้าบึ้งเห็นร่างกายที่หน้าบึ้งไหมนี่เราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นไหมว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเราเป็นแค่คนดูนี่ค่อยค่อยหัดไปนะค่อยคหัดนั่งยิ้มไปเลยก็ได้ยิ้มหวานวานทุกคนยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขเห็นร่างกายยิ้มไหม บางคนเลยยิ้มในหัวเราะเลยนะเห็นร่างกายหัวเราะก็ได้ใจเราเป็นคนดูเน่กายกับใจแยกออกจากกันนะพวกเรารู้จักหลวงตามหาบัวไหมเคยได้ยินชื่อไหมหลวงตามหาบัวเคยสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะถ้าจะแยกธาตุแยกขันได้ต้องรู้สึกตัวให้เป็นกันรู้สึกตัวแล้วก็หัดแยกมันบางคนนะพอรู้สึกตัวปุ๊บจิตไหลไปแล้วรู้ถันรู้สึกตัวปุ๊บนะขันแยกเลย บางคนถ้ามันไม่ยอมแยกนะเราช่วยมันแยกนั่งยิ้มมันไปบ้างนั่งทําหน้างั้นทํามืออย่างนี้นะก็รู้สึกเห็นร่างกายเป็นเส้นไหวไปแต่ยิ้มเนี่ยดีมากมันจะไม่เกร็งเวลาเรายิ้มเราจะไม่ค่อยเกร็งรู้สึกไหมถ้าทําหน้าเบื่อี้เดี๋ยวมันจะเกร็งนะจิตจะแข็งทื่อเอายิ้มหวานๆอีกรอบสิเหมือนกับว่าเจอหลวงพ่อเป็นครั้งแรกยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไม่ใช่เห็นหลวงพ่อนะ เห็นร่างกายมันย <aphrag Sham> <mine> ิ <Rocky Patrick> ้มเห็น <him> ร <way> ่างกายมันหัวเราะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่ละคนเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นไหมว่าร่างกายกับใจนะเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะบางคนไม่ถนัดที่จะแยกกายกับใจก็ไม่แยกความรู้สึกกับใจได้ขณะนี้ส่วนใหญ่ในห้องเนี้มีความสุขจํานวนมากเลยมีความสุขรู้สึกไหมมีความสุข ลองดูไปนะดูความรู้สึกของเราสังเกตไหมว่าความสุขลดระดับลงไปกลายเป็นนิ่งๆเห็นไหมเห็นไหมว่าความสุขหรือความนิ่งๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเราไปรู้มันเข้านะโกโรธขึ้นมาก็เหมือนกันนะต่อไปเวลาโกโรธขึ้นมาก็เห็นในความโกโรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปดูมันเข้า อย่างเราเห็นคนไข้มานะคนไข้คนนี้จู้จี้เห็นหน้าก็เบื่อแล้วเราก็ฉีดยาเบาที่สุดนะหาว่าเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลฉีดบัวฉีดวายหรือยังไงอย่างนี้นะพอเห็นหน้าคนไข่บางคนเราก็ไม่ชอบใช่ไหมความไม่ชอบเกิดขึ้นเราเห็นนะความไม่ชอบกับจิตนยคนละอันกันนะจิตเป็นคนไปเห็นว่ามันไม่ชอบอยู่นะหรือความชอบเกิดขึ้นแล้วก็เห็นนะความชอบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ า, นะ ค, ว า, ค, วาความโลภความโกรธความหลงอะไรก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดอย่างเนี้นะหัดดูไปเรื่อยๆแล้วต่อไปนั้นมันจะเจริญปัญญาถึงขั้นวิปัสนาได้ตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสนาวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ก่อนนี่เป็นแค่แยกว่ากายกับใจไม่คนละอันยังไม่เห็นว่ากายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นวิปัสนานะ เห็นกายเห็นใจเป็นสมถะยังไม่ขึ้นไม่ศาสนาจริงอา้ายิ้มก่อนเดี๋ยวจะลืมยิ้มกลับบ้านไปนั่งยิ้มนะยิ้มแล้วก็เห็นร่างกายมันยิ้มขาก็ยิ้มได้นะแต่ห้ามเห็นลายฝันยิ้มได้เห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมว่าใจค่อยๆตื่นขึ้นมารู้สึกไหมนี่คือภาวะแห่งความตื่ น, นในห้องนี้นะั้นเริ่มจะตื่นขึ้นมาเยอะแยะแล แค่เรารู้ทันสภาวะที่กําลังเป็นอยู่นะเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะไม่ไปเพ่งอะไรไว้นิ่งๆนะใจมันกจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะงั้นเนี่ยเคลื่อนไหวเรารู้สึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะฝึกไปเรื่อยๆนะพอเรารู้สึกได้ต่อไปเราจะเห็นเนละร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรนี่มันอยู่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วนะต้องรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอา เห็นไหมตัวที่พยักหน้าเนี้ยไม่ใช่เราแล้วเนี้ยรู้สึกเอาอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานล่ะนะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอานะก่อนจะแยกธาตุแยกขันได้ต้องรู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกตัวเป็นพอรู้ทันจิตที่ไหลไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตไหลไปเรารู้เราก็จะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วเราก็เห็นร่างกายกระใจคละอน ความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอ่านกุศลากุศลลบกหดลงกับใจเราก็คนละอ่านกันมันมันทํางานให้เราดูเราเป็นแค่คนดูใจเป็นคนดูนะดูไปดูไปเลยเห็นเลยไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียวร่างกายก็ไม่ใช่เราเราเป็นสะิ่งที่ถูกรู้ะร่างกายแต่เดิมเป็นตัวเราอย่างปุถุชนทั้งหลา ย, ยากายนี่คือตัวเรานะแต่ถ้าทําวิธีที่หลวงพ่อบอกเนะี่ยแยกกายกับใจออกจากกาันแล้วใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเนะี่ย ร่างกายจะลดระดับจากความเป็นตัวเราเหลือแค่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นแค่ของเรานี่ร่างกายของเรานะต่อไปถ้าความคิดกับจิตแยกออกจากกันได้อีกนะร่างกายจะไม่ใช่ของเรานละ้วร่างกายเป็นของเราเพราะคิดเอาเองนะค่อยๆฝึกนะกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะวันนี้ลงพ่อทีแรกนึกว่าจะเทศง่ายกว่า น, นี้นะเทศไปเทศไปก็ธรรมะมันก็ประณีตสูงขึ้นแสดงว่า พวกเรามีความพร้อมที่จะฟังธรรมะที่ดีขึ้นนลไม่ใช่กระจ่อง่ง่อยฟังอะไรไม่รู้เรื่องตลอดรู้สึกตัวให้เป็นอย่าหลงไปคิดเอาอย่าหลงจิตไหลไม่รู้เรื่องจิตไหลแล้วรู้ใจจะตื่นตื่นแล้วก็จะดูกายเป็นทำงานดูใจเป็นทำงานมีสองขั้นตอนเท่านั้นเองตื่นขึ้นมาให้ได้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว พอรู้สึกตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานนะร่างกายเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนดูนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูมันแยกออกไปตา่างดูมากข้ามากข้าวเราก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนหุ่นโจ์ตัวหนึ่งนะเป็นโพรงที่จิตมาอาศัยอยู่นะไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่เรื่องคิดเอา จะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่เรานะความสุขความทุกขนะ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะเราสั่งมันไม่ได้นะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่ตัวเรากิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่ถูกรู้ไอ้นั่นไม่ใช่เราทั้งหมดเลยอย่างพวกเราเห็นไมโครโฟนห ไมโครโฟนเป็นสิ่งที่พวกเรามารู้มันเข้าเราไปเห็นมันเข้าใครเห็นว่าไมโครโฟนเป็นตัวเราบ้างถ้าเห็นนะปรึกษาจิตแพทย์นะที่นี่คงมีจิตเวทใช่ไหมถ้าเห็นไมโครโฟนเป็นตัวเราเนี่ยนะนี่พยายามกลับมารู้สึกตัวนะบางคนทํากรรมฐานหน่าสงสารมากเลยเดินจงกลมนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้สึกหมดเลยไม่รู้พื้นทําไมใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างไม่มีใช่ไหมเห็นโฟมเป็นตัวเราไหม ก็เป็นถ้าปรึกษาจิตเวทนะจิตแพทย์อะไรพวกนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่เป็นเราอยู่แล้วมไม่ได้องไปสนใจมันสนใจอยู่ในกายในใจของเรานี้ยแหละที่เราเห็นว่าเป็นเราเนี่ยดูซ้ําดูซากดูลงไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะดูลงไปเรื่อยๆในกายในใจเนี้ยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถึงจุดหนึ่งมันจะคลิกนะจิตมันจะคลิก ม, มันเกิดปัญญามันเห็นแจ้งแทงตลอดเลยกายนี้ไม่ใช่เรานะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรา ดีชั่วก็ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็แปรปรวนตลอดนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพาะเราสังเกตดูจิตเราชอบหนีไปคิดใช่ไหมตอนที่มันคิดมันไปรู้เรื่องที่คิดตอนนั้นไม่ใช่ผู้รู้ตอนที่รู้ทันว่ามันหนีไปคิดอันนั้นเป็นผู้รู้นั้นจิตที่เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดนั้นจะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะค่อยๆหัดดูไปเพื่อเห็นในกาใจในใจนี้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นถูกรู้ถูกดูเป็นของที่บังคับไม่ได้หัดดูไปเรืยนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีเราฝึกไปเรื่อยทุกวันนี้หลวงพ่อออกไปเทศนกะระทั่งต่างประเทศนะไปเทศที่น้อนที่นี่นะหลวงพ่อได้พบอย่างหนึ่งนะว่า คนรุ่นเราเดือนนี้น่าเปลี่ยนไปเมื่อ30ปีก่อนนะสมัยที่หลวงพ่อตะเวนหาครูบาอาจารยนะ์แต่ละวัดนะหาคนซึ่งรู้สึกตัวเป็นเนี่ยสักคนหนึ่งยังหายากเลยในวัดหนึ่งนะต่อมาเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคนรู้สึกตัวเป็นเยอะเลยนะฟังซีดีหลวงพ่อไป เ, เรื่อยๆก็รู้ตัวขึ้นมาค่้ายๆมันตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันได้ พอผ่านมาอีกนะมาถึงวันนี้นะคนที่แยกธาตุแยกขันได้เนี้มีนับไม่ถ้วนเลยนะหลวงพไปที่น้นที่นี่นะทีนั่งรถไปไปแย้เข้าห้องลงห้องน้ําอะไรนี่ยตามปั้มตามไหนนะคนที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยต้องลูกศิษย์หลวงพ่อประมนนุ่นแน่เลยเห็นหน้าก็รู้ทนะั้งมันมันตื่นนะล้ขันมันแยกออกไปนะกายส่วนกายใจส่วนใจมันแยกออกได้นะ ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็นั่งเพ่งเอาเพมีได้นักเพ่งถ้าไม่เพ่งก็คิดเอาเนะี่ยที่จะเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆอ่ะหายากเพราะอะไรเพราะปฏิเสธการศึกษาเรื่องจิตถ้าปฏิเสธการศึกษาเรื่องจิตนี่จะมาคุยเรื่องเจริญปัญญาเลยเพราะก่อนที่จะถึงเรื่องปัญญาต้องผ่านเรื่องจิตก่อนเคยได้ยินคำว่าไตรสิกขาไหมศีลสิกขาใช่ไหมจิตตสิกขาใช่ไหมปัญญาสิกขาจิตตสิกขาเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมของจิต ให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่พร้อมสำหรับเจริญปัญญาที่จิตที่ไม่ได้เผลอลืมเนื้อลืมตัวและจิตที่ไม่ได้เพ่งบังคับเอาไว้นะมีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาถัดจากนั้นก็ถึงขั้นเจริญปัญญาเจริญปัญญาคือการเข้าไปเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามนะของธาตุของขันธ์ ดูไฟร่างกายไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ magic, ไม่ใช่เรากุศลอะกุศลไม่ใช่เราจิตเองก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวก็าวิ่งไปดูเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปฟังเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปคิดเดี๋ยวเป็นจิตที่รู้เดี๋ยวเป็นจิตที่เพ่งหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่คงที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างเราสั่งว่าอย่าไปคิดนะมันก็ไม่ฟังใช่ไหมสั่งได้ไ้มว่าจงมีความสุขอย่างเดียวห้ามมีความทุกข์สั่งได้ไหมไม่ได้เคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธไหม ว่าจะไม่โกรธแล้วกโกรธไหมโกรธว่าเจอคนนี้จะไม่โกรธนะวันนี้จะไม่โกรธเจอก็โกรธเคยตั้งใจไหมว่าจะไม่รักแล้วก็รับอย่างสาวๆนะไอ้หนุ่มมันมาจีบแล้ววันหนึ่งเพราะว่าโอ้ยมันเจ้าชู้นะโกรธมันนะตั้งใจว่าต่อไปนี้ไม่เชื่อมันอีกแล้วพอมันกลับมาหานะต่อไปนี้ผมกลับตัวแล้วล่ะเชื่อเลยนะเนี่ยจิตมันสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้ดูของจริงลงไป ดูของจริงลงไปเลยนะมีแต่ของไม่เทียเ่ยงมีแต่ของที่ถูกบีบคั้นมีแต่ของที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าพวกเราดูจิตดูใจได้ให้ดูจิตนะเพราะจิตเนี่ยกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตจิตให้เป็นหัวจบของธรรมะทั้งหลายนะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจนี่ท่านสอนอย่างนี้งั้นถ้าเราดูจิตดูใจได้ดูจิตใจ เห็นจิตใจนี <P an lon als> ้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่ดูให้มันนิ่งนะถ้าไปดูจิตให้นิ่งเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะอย่าไปแทรกแซงจิตแต่ว่าดูจิตอย่างที่จิตมันเป็นคือจิตมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่นิ่งนะจิตนี้ก็ถูกความอยากบีบคั้นตลอดเวลามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นจิตเนี้ยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาดูของจริงถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกาย นะนั่งยิ้มไปก็ได้นะแต่อย่าให้คนอื่นเห็นนะเดี๋ยวมันจะสงสัยเรานะเรากลับบ้านเราเข้าห้องเราแล้วก็นั่งยิ้มอมยิ้มหวานหวานนะต่อไปนะจะขยับไม้ขยับมือจะนวดหน้ากได้นะจะนวดนึงครับเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะเอกวาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะจะกินข้าวร่างกายมันกินข้าวเราเป็นแค่คนดู นะฝึกไปเรื่อยกระทั่งอาบน้ําจะขับถ่ายนะเห็นร่างกายมันขับถ่ายเราเป็นคนดูใจเป็นคนดูค่อค่ อ, อดูไปนะแล้วถ้ามีความสุขมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะรู้จิตได้ดูจิตไปมีกุศลมีอกุศลเกิดขึ้นถ้ารู้ได้ก็รู้ไปถ้ารู้ไม่ได้ดูกายดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะ นะมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจใหม่จิตมันฟุ้งซ่านมากแล้วมันดูกายดูใจไม่ได้ก็ามาหายใจมาพุโทโธใหม่นะมาดูท้องผองยุบใหม่มาจิตใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาจะกลับมาดูจิตได้นะฝึกอยู่อย่างนี้แหละทุกวันทุกวันนะวิธีฝึกก็ถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าเรามีศีล น, นะบุญบารมีเราจะเพิ่มขึ้นถือศีลห้าไว้เรื่อยๆถือศีลห้าแล้วแต่ละวันทําในรูปแบบ คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะทําในรูปแบบเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปแล้วรู้อยู่กับลมหายใจจิตหนีไปแล้วรู้อะไรเนี้ยฝึกในรูปแบบเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตจริงๆเหล่านี้แหละรู้จิตได้รู้จิตรู้จิตไม่ได้รู้กายไปนะถ้ารู้จิตไม่ได้รู้จกายไม่ได้ทําความสงบเข้ามาะฝึกวนเวียนอยู่อย่างนี้นะจนวันหนึ่งจิตมันแจ้งขึ้นมามันเห็นจริงไม่ใช่คิดเอานะ เวลาความเข้าใจในธรรมะเกิดเนี่นนยเกิดในหนึ่งคณะจิตเท่านั้นเองพูดพูดยาวๆนี่ไม่ใช่ของจริงหรอกเมื่อไร่รู้ทุกเมื่อนั้นละสมุทยัยเมื่อไร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรต์นะทั้งหมดเนี่ยการรู้ทุกละสมุทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรต์เกิดในหนึ่งคณะจิตเกิดพร้อมกันเลยนีมันอัศ จ, จรรย์ขนาดนั้นนะ ต้องค่ๆฝึกนะว่ามันพอแล้วก็เป็นเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วนะมันบรรลุเองพระเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าชาวนามีหน้าที่สประการฝนตกก็ไปไถนานี่หน้าที่ที่1นึ่งไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวนี่หน้าที่ที่สองหว่านข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยดูแลระดับน้ําน้ํามากเอาออกน้ําน้อยเอาเข้าวอะไรเนี้ถึงเวลาข้าวออกรวงเอง นะชาวนาไปออกรวงแทนข้าวให้ได้ใช่ไหมข้าวออกรวงเองภิกษุนทั้งหลายเธอมีหน้าที่สมอย่างคือศีลสิกขานะรักษาศีลไว้นะจิตศิษขาเรียนเรื่องจิตของเธอให้ดีปัญญาศิกขาเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันไปเห็นธาตุเห็นขันแสดงใจลักษณ์ไปเมื่อเธอทําหน้าที่สามประการนี้แล้วอาริยมรรคจะเกิดเองเหมือนรวงข้าวมันออกมาเองนะหน้าที่เรามีเท่านั้นเอง นะฝึกเอานะเราปันหนึ่งจะได้ของดีของวิเศษคนที่เรียนอยูหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อ น, นะไม่ดื้อมากนะเดือน2เดือน3เดือนเขาก็เป็นแล้วนะแยกธาตุแยกขันได้เดี๋ยวนี้เรื่องเล็กมากเลยไปที่ไหนที่ไหนเขาก็แยกได้เขาก็เริ่มเดินปัญญาดได้อย่างแท้จริงแล้วนะพิษณุโลกอย่าให้แพ้เขานะเชียงใหม่เชียงรายอะไรนี้เขาไปริ้วแล้วนะเขาแยกธาตุแยกขัน ช, นชนานิชานานตามข้างถนนยังมีเลย หลวงพ่อไปลำปางนะไปเทศลำปางค่กลับแวะเข้าห้องน้ำนะพอลงมาเขาขายของอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะนะเขาภาวนาภนะาวนาแยกธาตุแยกขันได้เก่งฟังซีดีอย่างเดียวนะไม่ได้เคยเจอหลวงพ่อเลยงั้นซีดีหลวงพ่อนะถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดเอาก็ได้นะธรรมะดอดคอมวิมุตติดดนไปดูเอาวิมุตติ .net ฟังแล้วฟังอีกถ้ามีอยู่แผ่นหนึ่งฟังมันทุกวันก็ได้นะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมฟังเทศกันเดิมของหลวงพ่อแหลนะฟังซ้ําฟังซ้ําไปความเข้าใจจะเปลี่ยนไปนะเนื้อความอัศจรรย์ของธรรมะนะแล้ววันหนึ่งกนะ็น่าจะรู้จักเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะพระธรรมมีจริงๆนะพระริยะสงฆ์มีจริงๆนะน่าจะรู้ด้วยตัวของเราเองเลยนะ ใจของเราเนี่ยแหละจะเป็นพระสงฆ์นะไม่ได้ผมเหลืองอย่างหลวงพ่อเขเป็นพระสงฆ์ได้นะผมเหลืองแล้เป็นปุถุชนก็เยอะแยะไปเห็นไหมบางคนทก็ผมเป็นนั่นเองใจไม่ได้เป็นพระโยมเนี่ยใส่เสื้อใส่กางเกงนะใจเป็นพระก็ได้นะถ้าใจมันเข้าถึงธรรมะจริงๆเคได้ยินไหมสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโคถ้าใช้คําว่าสาวะกสังโคถ้าสงสาวกใครเป็นสงสาวกนะก็ พร ะ, ะโสดาสกธาคานาคาพาระอรหันเป็นสงสารบุกท่านไม่ได้ใช้คําว่าพิกขุสังโคนะพิคุสังโคมัหมู่ภิกษุหมู่พระนะงั้นสาวกสังโคนี่พวกเราก็เป็นได้นะงั้นพวกเราก็อยู่ในพระรตนาไตรได้ ท, ทั้งในเครื่องแบบเรายัางเป็นฆราวาสนี่แหละอยู่ที่ใจนะงั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเวันเเดือน7จปีทำของเราไปนะวันหนึ่งเราจะได้เป็นสาวกสังโคตัวจริงนะ ไม่ใช่เป็นแต่ชาวพูดจอมปลอมนยเอาอันนี้เทศเท่านี้พอสมควระนะหลวงาพา่อมีธุระจะไปที่อื่นต่ออีกค่ะขอกราบขอข อ, อนุ ญ, ญาตหลวงพ่อเจ้าค่ะอสรุปนิดนึงมันยังไม่เข้ากับหัวเรื่องถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนี่นะทำงานก็มีความสุขนะ อ, อยู่ที่ไหนก็มีความสุข <c oughs> นี่เข้าแล้วนะเจ้าค่ะ ขอกราบขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อจะมีผู้ส่งกันบ้านให้หลวงพ่อได้ชี้แนะจำนวนทั้งหมดสิบสองคนเจ้าค่ะเชิญการนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะมาอาหลวงพ่อมาคราวที่แล้วบอกว่าจิตหนูยังขังอยู่ข้างในให้ไปตามดูรูกกายค่ะหนูก็พยายามดูแต่ว่ามันก็ลืมบ่อยๆไม่ทราบว่าตอนนี้เนื้อสื่อแบบจิตเดี๋ยวนี้ก็แต่ผ่อนไม่เหมือนกันดวกไหม ค uh huh. วามมันจะไปทือๆอยู่ข้างในใช่ไหมตอนนี้มันหลุดออกมาอยู่ข้างนอกเยอะขึ้นละนะอย่าเข้าไปค้างอยู่ข้างในนะถ้าค้างอยู่ข้างในไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีปัญญานะอยู่ข้างนอกนี่แหละตามองเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหรือดูกายก็ได้เห็นร่างกายไปยักหน้าใจเราเป็นแค่คนดูอย่าให้เครียดเกิดขึ้นถ้าแน่นๆนะแนะสะดงว่าเพ่งไปดูให้สบายๆดูมันดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย เลยไม่ทราบว่าตอนนี้ดูดูเป็นดูดีขึ้นเดยอะแ ล, <ม>ละเบาขึ้นเยอะและรู้สึกไหมมันไม่แน่นอย่างแต่ก่อนอนั่นแหละค่อยๆดูไปนะแต่ว่ามันยังติดของเก่าอยู่บ้างแสดงว่าของเก่าเนี่ยเพ่งมาอย่างร้ายแรงเลย <c oughs> อย่างอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสมถะใช่ไหมจ๊ะ่สมถะก็ต้องทํานะสมถะก็ทําไม่ทําไม่มีแรงแต่ว่าเวลาทําแล้วไปเพ่งน้อมจิตให้ซื่อบื้อไปอย่าไปทําลองทําสมถะให้หลวงพ่อดูสิ มันยังไม่ได้เจ้าค่ะเมื่อกี้เนี้สังเกตไหมว่าใจมันเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีใช่ค่ะเออเนี่ยเรารู้ทันว่าใจกาลังหาอยู่นะแมันดิ้นไปเรารู้ทันปุ๊บเหมือนก็ค่อยๆกลับเข้ามานะรู้ไปสบายๆแล้วอย่าน้อมใจให้เบอืออย่าน้อมใจให้ซึมนะักทำกรรมาฐานเนะี่ยทำผิดเยอะเลยพอเริ่มลงมือปฏิบัตินะขั้นแรกบังคับกายก่อน ้นั่งท่านี้ทำไม่ได้ต้องนั่งท่านี้อะไรเงี้ยเี่น <laughs> ต้องทำได้ทุกกระบวนท่ารนะพอบังคับร่างกายเรียบร้อยก็เริ่มบังคับใจมีสองพวกนะพวกหนึ่งเคร่งเครียดนยอีกพวกหนึ่งนะกลัวจะไม่สงบเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดเลยนะมันแค่นั่งรู้สึก นั่งเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูถ้าใจหนีไปรู้ทันใจมันกกลับมามันจะสงบด้วยตั้งมั่นด้วยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสตินะเพราะฉะนั้นของเดิมที่ทําเนี่ยมันจะน้อมไปให้เบื่อเือนะน้อมไปให้นิ่งอย่าน้อมแค่รู้สึกเอาดีขึ้นเดี๋ยวเราละนะถ้าติดร้อยเอร์เซนตอนนี้เหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซนต์ละใช้ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะออนรมาศการหลงพ่อค่ะหลวงพรู้สึก เฉยๆอะค่ะดูแล้วมันก็เฉย ๆ, ๆแต่ก็มฉทุกทวั น, นอะเฉยตลอดเวลาไห ม, มไม่ค่อยมีความสุขค่ะแต่ว่ามีโมโหมีโลภถ้างั้นไม่ฉเฉยสิใช่ไหม <S <S มันเห็นโทสะเกิดโทสะดับอะไรเงี้ยน ะ, ะ, สะแสดงว่าไม่เฉยหรอกหลวงปู่มั่นบอกนอย่าให้จิตไปติดเฉย น, <S <S นั้นเฉยแล้วมีความสุขนีรันดร อ, อยู่แล้วนะทำไม่เป็นหรอกมันต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของธาตุของขัน นะเวลาที่เราหัดใหม่ๆเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะั้นมีความสุขมากเลยนะรู้สึกตัวแล้วก็มีความสุขมีความสุขแนั้นเปนขั้นฝึกจิตให้มีสมาธิเท่านั้นเองในขั้นเจริญปัญญานะจะเห็นแต่ทุกนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจเป็นทุกข์ล้วนๆแต่จิตที่ไปรู้ทุกนะั้นมันค่อยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะมันแปลกไปหนะันเอาไปทําเอานะถ้ า, า, าใจฟูงซ่านใจฟูงซ่านเก่งอยู่ ะถ้าใจฟุ้งซ่านกะ็ทำสมาธิทําสมถะบ้างพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธใจหนีไปแล้วรู้ทันพุโทโธพุโทโธใจหนีไปแล้วรู้ทันอย่าไปบังคับจิตนะอย่างนี้บังคับแรงไปแล้วทื่อๆแล้วอย่าให้ทื่ออะต่อไปของคุณมันฟู้งเก่งดังนั้นทําสมถะบ้างกับกับนวัสการหลวพ่อค่ะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอัน ค่ะเออแยกเป็นแล้วแล้วจะสงสัยอะไรชอบจัดการค่ะเวลามีสภาวะแรงๆแล้วมันชอบตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมาจัดการแยกค่ะใช้ได้ใช้ได้ที่รู้ทันนะกอรทําอย่างนั้นนผิดค่ะแต่ดีที่รู้ค่ะถูกหรือผิดดีหรือชั่วไม่สําคัญนะสําคัญที่รู้หรือไม่รู้ะแอบคิดด้วยยางเจ้าค่ะเอรู้ทันนะไปฝึกต่อใช้ได้ แต่เวลาต้องระวังอันหนึง่งพอมาถึงจุดนี้แล้วเนะี่ยขันแยกนะจะเดินปัญญาเห็นธาตุเห็นขันแสดงใจลักนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสโนภปกิเลส น, นีไม่พ้นหรอกจเจอทุกคนอนะ่ะวิปัสโนภปกิเลสเนี่ยเป็นกับดัก ของนักธรรมวิปัสนาที่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วเนี่ยโด <Yeah. S 2> ยเฉพาะพวกที่ดูจิตดูจิตนะวิปัสณูตัวที่หนึ่งโอภาษจะมีมากที่สุดเลยจะสว่างว่างสบายอยู่งั้นนะเป็นวันวันหรือเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีก็ได้นะอย่าให้ใจออกนอกทนะนะถ้ารู้ว่าใจไปไหลไปอยู่ข้างนอกแล้วก็มีความสุขมีความสบายนะรู้ทันนะมันกลับเข้ามาเข้าฐานเมื่อไหอไร่นะวิปัสณูหาย วิปัสสนูมีสิบชนิดก็จริงนะแต่ถ้าจิตถึงฐานเมื่อไรวิปัสสนูทั้งสิบอย่างนะหายหมดเลยนะจิตแค่เดินปัญญาต่อไปได้ทำวิปัสนาต่อได้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกเปล่าเออนั่นแะกระจายออกนอกอย่างนั้นนะนะตัวนี้แหละที่เรียกว่าโอภาร์ไ อ, อหนุ่มนี่ใช้ได้ก็ดูจิตแล้วก็ดูกายครับสลับอยนนะถูกแล้วไม่มีปัญหาอะไร ต้องขอคําแนะนําเพิ่มเลยดู บ, ยบ่อยๆดูเท่าที่ดูได้นะเราดูเพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ดูเพื่อควบคุมมันะบางคนนั่งสมาธิเพื่อจะควบคุมกายควบคุมใจไม่ใช่เพื่อจะดับเวทนาเพื่อจะเอาชนะเวทนาไม่ใช่ก<ภ>็จะดูความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียวต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นหรือเปล่าครับตั้งสิตั้ ง, <ภ>งถูกแเป้เลย นี่แหละจิต ท, ที่เป็นผู้รู้แหละแต่ตัวนี้ก็เสื่อมได้น ะ, ะมันเสื่อมเป็นคลาวๆคลาล์น ะ, ะเสื่อมเรารู้่านนี้มันกลับมาดูอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมครับอย่ารักษาน ะ, ะดีก็ไม่ให้รักษาขอบเลยครับ<ะ>ง่ายนะยากหรอกฝึกมานานเท่าไหร่นะหนุ่มเนี้ยอ็ปีกว่าปีกวาได้ขนาดนี้เก่งแล้ว ก็ น, นี่หนึ่งเดือนนะคะกลับมากลับมาใหม่เพราะว่าเมื่อห้าปีก่อนมันหลงค่ะแต่ก็ไม่อยู่หนึ่งสภาวะคือมันเห็นเองว่าตอนแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าวิปัสสนาหรือว่าอะไรคือนั่งทำความสงบอะคะ่ะแล้วทีนี้มันก็แยกออกมาเอง อ, อารมณ์กับร่างกายมันแข็งๆทื่อๆแล้วก็เราเราไม่รู้ว่ามันเป็นจิตหรืออะไรแต่เรารู้ว่าเออมันเห็นอยู่แล้วก็มีอารมณ์โกรธแยกออกมา แล้วที่นี้ก็กลับมากลับมาหนึ่งเดือนนี้ก็คืออาจจะหนูกับพร่องกับแท่งด้วยค่ะแต่ก็พยายามมันสำคัญนะนาบางทีเราเห็นร่างกายทํางานไม่ใช่เราเห็นจิตใจทํางานไม่ใช่เรานะแต่ตัวที่รู้เนี่ยอย่าไปรักษาไว้นะค่ะ<า>เอ อ, อย่าให้ตัวรู้มันคงที่อยู่แล้วตอนนี้ ขอคําแนะนำมาคตัวรู้อะมันทื้อๆทื้อๆอยู่เอออย่าไปรักษามันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งค่ะอย่าให้เหลือตัวนิ่งนะบางทีพอมันหลุดมันก็แรงอะค่ะใช่ถ้าตัวตัวนิ่งมันเกิดนานนะเวลาหลุดมันจะแรงมากเลยใช่ค่ะแล้วมันจะร้ายกว่าคนที่ไม่ภาวนาค่ะเออเป็นกดธรรมชาติเลยเพราะว่ามันเก็บกดมันเก็บกฎมานานต้องเป็นคนดีดีถึงยืนหนูก็โป้งหเลยนะ แล้วนะตอนนี้ก็คืออย่ารักษาตัวรู้ไม่รักษาตัวรู้ปลอ่ลปลอยแล้วก็ดูสภาวะที่เกิดขึ้นค่ะใช่ถ้ามันไหลไปก็เนี่ยตอนนี้เป็นตัวชิดแล้วเห็นไหมค่ อ, อตัวรู้ดับกลายเป็นตัวชิดก็เห็นนะตัวรู้ก็ไม่เจียงเหมือนกันนะว่าอย่างี้อยากจะถามว่าที่เคยเห็นว่ามันมันมันจะไม่มันมั น, ม, นมันไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแต่มันเห็นว่ามันหายไปหายไปอ น, นั้นอันนั้นเห็นด้วยจิตที่แข็งไป อ่ะจิตตัวนั้นแรงไปดูอะไรก็ดับหมดเลยโลกธาตุก็ดับหมดเลยแต่ตัวเนี้คงที่อยู่ค่ถ้ะแังเหลือตัวคงที่ตัวหนึ่งยังไม่ใช่นะค่ะนมาสการหลวงพ่อครับเอผมนีบางครั้งนี่มันก็เห็นเหมือนกับอ่าไม่แน่ใจว่ามันมันเห็นว่ามันแยกหรือเปล่าบางครั้งนี่เวลาอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นเหมือนกับแขนนี่มันมันไม่ได้เจตนาเห็นไม่ครับนะแต่ว่ามันก็เห็น ไม่ได้เห็นนานเห็นแปบบ๊แบแบปปัญญาไม่เกิดบ่อยครับนะนานๆ น, นเกิดทีเวลาเกิดก็เกิดไม่นานครับนะไม่เหมือนสมาธินะสมถนะนี่ยเกิดนานครับงั้นเวลาความเข้าใจจะเกิดเนี่ยเกิดชัวแบบ่วแวบๆบยิ่งอารียามากนะเกิดขณะจิตเดียวครับแล้วบางครั้งนี่เคยเห็นอ่าการเกิดดับนะครับอืมสมมุติว่าบางครั้งที่นั่งนั่งสมาธิอยู่เนี่ยครับก็เพาจิตตั้งบ้านขึ้นมาบางทีมัน ช่วงแรกนี่มันจะฟุ้งก่อนมันจะฟุ้งไปในเรื่องของราคาอะไรเย่างนี้ครับแล้วพอมีสติก็เห็นราคามันมดับไปอันนี้คือคือเห็นจริงๆใช่ไหมครับใช่ไม่ได้เจตนานะไม่ได้เจตนาจะเห็นไม่ได้เจตนาให้ดับถ้าเจตนาจะเห็นก็ไม่ใช่เจตนาดับก็ไม่ใช่มันเป็นธรรมดามากเลยธรรมดามากจนกระทั่งพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ผิดธรรมดาทำยาก <laughs> น่าจะไมา่เกินจริงนมัส ก, การค่ะขอขออนุ ญ, ญาตให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะ ก, การปฏิบัติที่เหมาะสมให้ด้วยค่ะเห็นร่างกายหมระหว่างกายกับใจเห็นอะไรชัดกว่ากันเห็นเห็นกายลมหายใจอะค่ะนั่นแหละเห็นกาย <c oughs> นะแต่ไปนี้เห็นร่างกายมันหายใจใ่เราเป็นแค่คนดูร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะ หายใจก็มีทุกข์นะหายใจเข้าปะทุกหายใจออกก็ทุกข์ดูกายนี้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆดีถูกแล้ววัจริตนิสัยนี่นะเป็นคนรักกายนะดูกายนะถูกเป้าแล้ว กลับน้ำมรสการหลวงพ่อค่ะโยมมาจากเชียงใหม่นะคะเมื่อวันที่25่ยมก็ไปฟังหลวงพ่อแต่ไม่มีโอกาสได้ส่งกันบ้านอะคะ่ะวันนี้ตามมันนี่ค่ะคือโยมเคยตอนเด็กๆ เ, เคยเห็นสภาวะอะไรอย่างดีนะได้ส่งกันบ้านถ้าไม่ต้องตามไปสุริน <laughs> ไปค่ะต <laughs> ามามาตอนเด็ ก, ดกอตอนเด็ก เ, กเคยตอนที่โยมฟังหลวงพ่อมาประมาณห้าหเดือนนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องอะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็หลวงพ่อบอกว่า คนที่ก็เคยทำมาแล้วก็จะแยกธาแยกขันธ์ได้ยมก็เห็นไปเลยอย่างเห็นแยกได้เลยก็แล้วก็นึกได้ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราเคยเห็นเน<ช>ี่ยแล้วเรากลัวแล้วรู้ว่าเราจะตายอย่างเงี้ยตอนเด็กเนี้ยเอะแล้วมันมันนึกได้เหมือนของเก่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยแล้วก็เห็นร่างกายข้างในมันเป็นโพรงมืดๆแล้วก็เห็นเหมือนกับเหมือนกับตัวเองแบบมีสมาธิสมาถิอะไรเงี้ย แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเห็นจริงหรือเราคิดเองอย่างเงี้ยค่ะจริงอย่าค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้มารู้สภาวะหัดรู้สภาวะทีหลังเราก็เห็นความชั่วร้ายอหไรออกมาเต็มไปหมดเลย อ, อย่างเงี้ยนั่นเห็นถูกค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเห็นความเป็นตัวตนใหญ่ๆมันออกมาเต็มเลยค่ะแล้วก็โยมก็มันมีจิตมันมันไปควานนะคะมันเข้าไปควานควาว่าไม่ไม่น่าเชื่อว่า คนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาไปควานควานอย่างเลยค่ะก็ให้รู้ทันว่าควานก็โยมก็ดูค่ะเสียพักหนึ่งเขาก็หดหดหดหดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ enfin, <assim. S 2> แล้วก็ตอนนี้ก็โยมเพิ่งมารู้จกักรู้สึกตัวค่ะหลังจากที่รู้สภาวะนะคะแล้วก็หลังจากที่รู้สึกตัวเนี่โ ย, ยมโยมรู้สึกเลยเพราะว่าเหมือนกับเมื่อก่อนชีวิตของโยมเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่ในที่มืดมืดมืดนะคะแล้วพอรู้สึกตัวบอกโอ๊ยรับพระพุทธเจ้ามากเลย มันจริงนะเนี่ยอันนี้มันเป็นความจริงค่ะเราแบบตื่นเต้นมากจะไปเราก็ดูนะดูธาตุดูขันทํางานไปเรื่อยไม่มีเราที่ไหนเลยดูไปงั้นเมื่อเร็วนี้โยมก็เห็นโยมนั่งว่างไหวพระสวดมนต์ก็เห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่มันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มันมีอีกมีอีกสามสามครั้งนะคะที่โยมไปเห็นว่ามันเป็นความเป็นกลางหรือเปล่าโยมไม่ทราบนะคะมันเป็นเพราะ สมรรหรือเปล่าเพราะยมไปเห็นว่าลูกของเรากับคนอื่นหรือสัตว์สิ่งของอะไรเนี้ยมันเท่าๆกันมันเรียบๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเห็นด้วยปัญญาจริงหรือเปล่าว่าเห็นจริงนะแต่ยังไม่ละคใช่ค่ะเห็นแวบๆเดี๋ยวลูกเราก็เป็นลูกเราใช่ค่ะแต่มันก็เบาลงหมืดกว่าจากเมื่อก่อนค่ะแล้วก็ไปเห็นเงินเงินที่กองกองในทีวีนะคะเหมือนเหมือนกระดาษอย่างเงี้ยแล้วก็เฉยๆเงินในทีวีเป็นกระดาษได้ไงมันเป็นแค่สีความรู้สึกไม่ใช่ค่ะความรู้สึกว่าเป็นเงินอย่างเงี้ยเรามันไม่ใช่ มันทำไมข้าของมันไม่มีอย่างนี้ค่ะมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็มาเห็นว่าคนที่อยู่ข้างๆถนนเราขับรถผ่านไปมันเป็นสีเทาๆเหมือนกับหุนแล้วหันมาดูตัวเองก็ไม่มีอย่างนี้ค่ะดูเรื่อยๆนะของโยมมีจุดที่ต้องระวังคือระวังเรื่องปัญญาล้าหน้ามันจะสรุปเร็วไปอ๋อใช่ระวังตัวนี้นะของโยมผู้ชายคอยดูเซลนะ แล้วก็มีอีกนิดนึงค่ะก็โยมมีปัญหาเรื่องการอ่าสมาธินั่งสมาธิค่ะมันเวลาที่จะนั่งมันรู้สึกเหมือนกับแบบว่ามันมันมันปวดหัวย่ยค่ะแล้วก็โยมค่ะแล้วโยมก็ระหว่างที่นั่งโยมนั่งไม่เป็นนะโยมเดินทรงกลมอะไรก็ไม่เป็นนะโยมก็ทําหงโยมไปอย่างเงี้ยค่ะก็เดินไปดูร่างกายมันทํางานไปตรงตรงเนี้ยที่ที่ว่าโยมปัญญาล้าหน้านะคือสมาธิมันไม่พออ๋อสมาธิไม่พอจิตไม่พมันจะฟุ้งอื ใช่ค่ะเพราะงั้นต้องต้องอดทนฝึกเอาทุกวันอยู่กับพูดโทอยู่กับลมหายใจเลยก็ฝึกไปเรื่อยเวลาเรกเวลานอนสงบไม่สงบก็ทําไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันจะมีแรงขึ้นมาวันทุกวันนี้ยอมยมทําอ่ำฝึกในชีวิตประจำวันกวาดบ้านดูบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่พอแล้วแล้วเรานั่งสมาธิจะทํำยังไงนั่งเล่นเล่นนั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นใจรักหรือเปล่าอะไรนะดูกายไป แต่โยมเห็นว่ากายจิตจิตเขาทางานไปแล้วก็ก็เห็นเ้าทั้งกายทั้งจิตเขาก็ทำงานประสานกันมันคิดสรุปเร็วไปอนะปัญญามันล้ําสมาธิไม่พอคต้องไปเพิ่มสมาธิขึ้นนะเดินมากขึ้นใช่ไหมคะขึ้นไหวไปแล้วเห็นร่างกายขึ้นไหวใจเป็นคนดูนะแล้วถ้าใจหนีไปเรารู้ทันใจไหลเข้าไปเพ่งร่างกายรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาต้องเพิ่มแรงตรงนี้อีกใช่ไหมคะสมาธิไม่พอ กับหลวงพ่อครับออขอโอกาสส่งการบ้านครับหลังจากที่หลวงพ่อเมตตาแนะนําให้ไปน้อมใจไปไปทำความสงบบ้างเดี๋ยวแต่เจริญปัญญาครับก็กลับไปทําครับแต่ค่อนข้างจะยากสมคุณว่าจิตมันไม่เอายากถ้าจิตมันเคยชิดเจริญปัญญานละ้วมันไม่ยอมทํารรมะที่ต้องบังคับมันนะต้องก็บังคับไปแต่มันก็ยังไม่มีผลแต่เมื่อเช้าตอนนั่งทําในรูปแบบครับก็นั่งไปก็ยังเห็นสภาวะเหมือนเดิมแต่พอออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันล้วรู้สึกว่าจิตมัน มันเปลี่ยนไปคือมันมีมุมมองที่มันเปลี่ยนไปอตอนแรกๆก็เห็นสภาวะของไตรักณแต่ว่ามันมันก็เห็นอย่างนั้นแต่พอเมื่อเช้าบอกเอ๊ะทำไมจิตเราเันเปลี่ยนไปคือมันมันแน่ใจว่ามันเห็นครับอืผมไม่ทราบว่านี้รู้ชัดหรืกว่าแต่มันแน่ใจว่ามันเห็นนะครับนี่คือสภปะที่มันเกิดขึ้นก็อย่าให้มันชัดเกินไปก็แล้วกันครับดูไปสบายๆใจใจมันเหนื่อยมันยังเหนื่อยอยู่ครับ ทั้งกายทั้งใจนะเนาะเหนื่อยหนือยอย่างเงี้ยต้องพักผ่อนพักพอสมควรนะันจะมีแรงกลับมาภาวนาครับผมหลวงพ่อครับตอนทาสมาธิเนี่ยเนื่องจากตอนตอนเริ่มต้นในการปฏิบัติเนี่ยผมใช้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแต่ตั้งแต่มามาเรียนรู้เรื่องการเจริญปัญ ญ, ญาจากหลวงพ่อเนี่ยสองตัวนี้มันแยกจากกัน ท่านี้ถ้าเราเราใช้ภาวนาพุโทโธเนี่ยจิตมันจะเบาๆมันจะไม่ ม, ไ ม, มันจะไม่แตะสมาธิเลย เ, เลยต้องมาดูลมหายใจแทนนะครับคือถ้าพุโทโธนะก็ใช้วิธีรู้ทันจิตไปครับจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ก็ได้สมาธิเหมือนกันครับพุโทโธอาจจะสบายกว่าลมเพราะลมเนี่ยจะไปหักหันมันบางคับมันแรงไปนะพุโทโธพุธโทโธไม่มีอะไรให้จับแล้วลมมีของให้จับนยแน่นขอขันบ้านจากหลวงพ่อครับแล้วรู้รจักฟุ้งซ่านไหม เพราะว่าทํามามันเหมือนกับมันช้ามากไม่รู้มันขาดอะไรไปครับมีดก็เป็นสนิมนะครับตอนนี้มันขาดมันขาดความเป็นกลางทําไปนะโทสะมันแทบมันหงุดหงิดอ่ะแต่ทําไปนี่จิตมันทําไปมันเป็นกายเป็นคมว่างนี่เป็นอะไรครับเออ๋ย่าแพ้มันว่างนะบางทีมันก็จิตมันสว่างถ้ามีสติ ให้รู้ทันตรงเป็นปัจจุบันนะกิเลสะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆรู้ทันคือตอนนี้ก็โม่ๆครับกินเอออย่างตอนนี้โมวก็จริงนะแล้วมันมีความไม่ชอบออืเห็นไหมโทสะมันแทรกตรงนี้อนะเรารู้ทันกิเลสที่เกิดในใจอย่างตอนเนี้โมัวมัวไม่ใช่ไม่มีปัญหานะโมวก็ได้นะสว่างก็ได้โมวก็ได้แต่ว่าพอโม่แล้วเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะพอกันบ้านครับ นี่ไงรู้ลงปัจจุบันไปรู้ทานกิเลสลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆใ่ไหมรูบ่อยอๆนะแล้วถ้ามันโมโหขึ้นมาก็รู้ทันนะครับพื้นเดิมโมโหร้ายเลยครับครับที่โมโหครับนั่นแหละมันเชือดไขก็ได้นะครับการนมัสการพระอาจารย์ครับได้แต่ฟังในซีดีครับแล้วก็เหมือนว่าโอเคของคนอื่นมายกให้กับตัวเองบางครั้งก็เหมือนว่าใช่ไม่ใช่อย่างไงครับเลยเพิ่งเคยส่งกันบ้านครั้งแรกครับ สังเกตไหมว่าใจเราเดืยวนี้ก็แต่ก่อนไม่เหมือนกันต่างกันเยอะเลยครับนะต่างแต่ว่าตรงที่ต่างเนี่ยตรงที่จิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้นะผู้รู้มี2แบบครับผู้รู้อันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมชาติผู้รู้นี้ยางเกิดดับได้อันนี้ดีครับถ้าผู้รู้นั้นส่งตัวเด่นตลอดเวลานะอย่างนี้ไม่ดีนะบางครั้งมันนอนไม่หลับแล้ว ม, มันแรงไปแรงครับสตรีมันแรงไปรงครับนะการทําทใจให้รีแลกซ์ พักผ่อนหน่อยให้ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายบาครั้งรีแลกเหมือนบ้าๆไปเลยครับไม่ใไม่ใช่มอย่าไปฝึกบ้าๆนะธรรมดาแต่แล้วคนก็บ้าพอถูกควรอยู่แล้วครับที่อย่าไปกดเหมือนอย่ากดนะครับพยายามรู้สึกตัวตลอดแย่ารู้สึกไปสบายๆถูกไปอย่างผ่อนคลายเหมือนดูคนอื่นอ่ะไม่ดูแบบมีส่วนได้เสียว่าต้องดีต้องดีบางครั้งเหมือนทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปเลยทุกข์ก็ดูเหมือนคนอื่นทุกข์ครับนะ ถ้าสุกก็เหมือนสุกก็เหมือนคนอื่นสุขเหมือนแบบเราไม่อยากสุขเนี้ยครับบางครัไม่อยากให้รู้ว่าไม่อยากอ๋อแต่บางครั้งก็เหมือนแต่งเติมมาเหมือนแนั่นแหละนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงเติมนั่นแหละมันเกินจริงโอเคเพราะงั้นจิตมันยังมีเกินจริงเยอะนะครับมันแต่งแค่ว่ากลับน้ำมัสการพระอาจารย์ครับผมส่งกันบ้านรอบสองปีครับเอ่อตั้งใจว่า จะส่งขันบ้านพระอาจารย์ทักบอกว่าผมเสื่อมไปก็เลยแทบจะลืมขันบ้านหมดเลยขอพระอาจารย์แนะนำครับแต่ว่าเสื่อมนะมันกมโดยตัวเอ ง, เองมันก็ไม่ถือว่าเสื่อมหรอกมันก็ทรงอยู่นะแต่ว่าคนรุ่นหลังๆนั้นมันไปไวกว่า <laughs> เวลาเราแยกธาตุแยกขันนะเป็นธรรมชาติอย่าให้แข็งอย่าให้จิตมันแข็งรู้ไปสบายๆอย่างนี้เพ่งแรง อย่าไปแรงนะใจหลายไปคิดแล้วรู้หลายไปคิดแล้วก็รู้กดเอาไว้ก็รู้มมนะ้มันจะโน้มไปทางกดคือเวลาที่มันเสื่อมลงเนี้ยสิ่งที่พวกนักปฏิบัติธรรมนั่นคือเพ่งจะไปเพ่งไปกดไ้ให้รู้สบายๆ ส, สังเกตไหมว่าจิตเข้าฐานหรือเปล่าดูออกไหมขณะนี้ ไม่ไม่เข้าไม่เข้าเห็นไหมปัญหานนี้ไงคือสมาธิเราไม่พอจิตไม่ถึงฐานถ้าจิตถึงฐานนี่คือจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตมีสมาธิพอสมาธิตัวนี้คือลักขณูปนิชานนะไม่ใชอารมานูปนิชานไม่ใช่เพ่งอารมณ์แต่จิตมันตั้งมั่นเนี้ยมันไม่ตั้งมั่นถือว่ากําลังมันไม่พอเลยมันเคยตั้งได้นะตอนนี้มันไม่ยอมตั้งเห็นไหมมันดีดออกพอจะย้อนดูมันไม่จะดีดออก เนี่ยดิดปุ๊บปบออกไปนะให้เรารู้ทันเอาไปฝึกสมาธิตัวนี้จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกให้เยอะหน่อยนะเดี๋ยวมันก็กลับมาเริ่มกลับมาแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเออนะไม่งั้นไม่ถูกหรอใจมูนออกนอกไปคือยมตื่นมาประมาณสักตีสี่ถึงหกโมงครับที่ที่จะภาวนาในช่วง ประมาณสี่นากาสามนาทีจนถึงตีหครึ่งนะผมจะเปลี่ยนจากเดินจงกรมมาเป็นวิ่งครับมาเป็นวิ่งจงกรมเนี่ยรู้ครับว่าว่าเราเนี่ยรู้ตัวได้น้อยลงยแต่ที่เห็นว่าว่ามันเสื่อมลงไปคือว่าอาการอาการที่เราตั้งอกตั้งใจเราเพ่งเราอะไรตรงนี้มันมันมันหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือจะเห็นว่า เราเราเหมือนกับคนธรรมดาที่เราเราเหมือนยังไม่ได้เรียนรู้การภาวนาเลยคือมันธรรมดาธรรมดาที่แบบว่าแค่มีใจอยู่กับกับตัวแค่นั้นที่เหลือตอนนี้ครับมันไม่ได้รู้สึกว่าเราธรรมดาหรอกนะมันยังรู้สึกว่าเราไม่ธรรมดานะเวลาที่เราเคลื่อนที่เร็วนะอารมณ์เปลี่ยนเร็วเนี้ยนะสติสมาธิไม่พอนะไม่นจะมีปัญหาเหมือนกันเราวิ่งให้ช้าลงหน่อยนะ เดินให้เร็วๆพอวิ่งเร็วๆบางทีสติกับสมาธิมันตามไม่ทันโ okay. ยมขอถามนิดหนึ่งตรงที่ว่าโยมจะเหนื่อยจากงานหรือว่าโยมจะเครียดหรือมีปัญหาอะไรมาเวลายมนอนเนี่ยโยมใช้คําว่าใช้กับตัวเองว่าชัดดาวตัวเองไม่ทราบว่าจะถูกไหมคืออาการของโยมคือว่าเวลาโยอมระลึกถึงพุโทโธหรือสังเกตลมหายใจสักสองสามครั้งจะเห็นว่าใจนีมัน ใจมัน alert ขึ้นมาแล้วโยมก็จะหน่วงความ alert นั้นคือสังเกตความ a ิ e r t นั้นสักสองสามขณะก็จะเห็นว่าไอ้ตัวตัวที่จิตใจผ่องใสมันส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่กําลังเหนื่อยเพลียนั้นส่วนหนึ่งแล้วโยมก็จะหน่วงตัดไอ้ทิ้งตัดทิ้งไอ้ตัวที่เหนื่อยทุกยากตัวนั้นไปแล้วมาอยู่กับความสุขสบายแค่ครั้งสองครั้งอะไรพอมันเผลอสติมันก็จะจะหลับมันจะหมดไปดับไปอย่างนั้นนั่นก็ปเป็นเป็นวิธีหลับนะ ก็ให้หลับไปดีกว่าไม่หลับอันอันนี้ถือว่าถ้าไปใช้กับการเดินสมถาะาอย่างนั้นได้ไหมครับคือสมาธิเนี่ย น, นะมันต้องไม่ขาดสตินะอย่างพอหลับเนี่ยขณะนั้นไม่มีสติหรอกที่โยมถามหมายถึงว่าอ่าอันนั้นตอนใช้ตอนนอนหลับครับแต่เวลาทํามสมาธิหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาภาวนาไปเนี่ยทั้งในรูปแบบและในชีวิตจําวันเนี่ยโยมจะใช้ว่า ยมจะปล่อยให้ให้ใจมันเครื่องเราตอนนี้ได้ไหมได้ครับเอาเลยทําเลยตอนนี้หมายถึงจังหวะที่จันน่วงเอาเอาเอาเออตัวนเอาที่ถามนั่นเลยได้สมรรถะตอนนี้หมายถึงว่าได้ได้สมรรถนะครับได้ตอนนี้ยอมเดินแบบว่าให้มันเป็นของมันเองแล้วก็ระลึกรู้ไปตามธรรมชาตินะครับตอนนี้ตอนนี้ที่ทําอยู่พูดไปทําไปอย่างนี้ย อย่างนี้ก็ใช่ใช่ไหมได้แต่นั้นได้แต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะปัญหาใหญ่วันนี้นะจิตไม่ถึงฐา น, น <ะ S 2> ที่หลวงพ่อว่าเสื่อมลงก็คือจิตไม่เคยถึงฐานนะอือวันนี้มันไม่ยอมถึงนะคือสิ่งที่เห็นว่าเวลาเมื่อก่อนไม่เห็นรูปกายท่อนกายเนี่ยมันจะเห็นแค่ท่อนเดียวเท่นั้แต่ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นไปมากเอยีาอย่าจงใจแผ่ความรู้สึกออกไปทั่วตัวนะไม่ได้จงใจครับอาจารย์ครับหมายถึงว่าเวลามันรู้ เข้ามาในรูปกายเนี่ยมนรู้เองเนี่ยจะเห็นว่ามันมารู้ได้กว้างขึ้ น, นอย่างนี้ ร, นรู้ทั้งตัวมันรู้ได้กว้างขึ้นอย่างนี้ครับแต่เราต้องไม่ไม่ให้จิตมันผิดธรรมดานะนนไปรู้ทันตรงที่จิตไม่เข้าฐานนะขนาดจะย้อนมาดูมันยังดีดอกเลยขอบหลวงพ่อค่ะอยากจะ นั่งภาวนานี้มันนิ่งมันสบายมันแบบอยากจะรู้ว่าสภาวะมันห <ไป S 1> ลงหรือยังไงคะไปกวัดบ้านถูบ้านไปทํางานนะอืะเคลื่อนไหวอย่าไปนั่งถ้านั่งแนละ้วเดี๋ยวมันซึมลงไปอืมเดี๋ยวมันจะติดซึมๆไปมันจะน้อมไปนิ่งอไป<ต>เคลื่อนไหวแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกบ่อยๆอแต่จิตจะมีพลังขึ้นมา คิดว่าตัวเองทาผิดหรือว่าทําไม่ถูกแต่ทําตามรูปแบบทํามาประมาณเจ็ดแปดเดือนปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนเออถ้าไม่เหมือนใช้ได้นะถ้าเหมือนใช้ไม่ได้เพราะว่าจะนิ่งจะสบายเป็นปกติเป็นประมาณเหมือนจะเป็นหลงเฮ้ยอย่างนั้นไม่เอานะมีแต่ความสุขเหรอมาดูกายเลยพยายามรู้สึกอยู่ในร่างกายมากๆนะดูกายไปเรื่อย ถ้าภาวนาแล้วแ ม, ม้มันมีแต่ความสุขมันย้อนมาดู ก, กายเลยเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนทํา น, นั่นทํานี่นะเดี๋ยวก็เหงื่อออกเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวก็ต้องการขับถ่ายเนี่ยวก็ต้องการพักผ่อนเนี่ยดูลงในกายให้มากเลยถึงจะแก้ตัวนี้ได้ติดสมถะนะตัวนี้ติดมันติดนิ่งติดซึมไปอ่าหมดละ ข้งแต่พระอาจารย์ uh hmm. ปราโมทปราโมทโชวข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พ ร, าาร ose, รชชพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์โปรดรับปัจจัยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อมักผลนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทอสาธุเด <ette>? ี๋ยวรับพรนะ ยถาวาริวหาปุราปริภุเรนตีสาครังเอวามีวาอิโตทินัางเปตานางอุปะกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโูปนรโอยถามณีโชติรโอยถาสัพีตีโยวิวัชชนตุสภโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขิที่คาโยโกภวะ อาภิวาทนาสีเลสนิจังมุธาปจัยโนจตารโธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลังปัจจัยหลวงพ่อให้โรงบานนลนะเข่าว่ากำลังสร้างตึกใช่ไตึกอะไรอุบัะเทศสะทศส่วนเครื่องไทยทานถ้ามีก็ถว า, ายสามองค์นี้ก็แล้วกันนะถูกค่ะก็ไปแล้วนะขอ <laughs> พวกเรากลับหลวงพ่อพร้อมกันสามครั้งค่ะกรากรา กรา